เอ็สูตรที่พระปุณณะมันตานีบุตรคุยกับพระสารีบุตรใครเคยอ่านอันนี้มีไหมได้มีคนเดียวหรอเสองคนเองน่าสงสารไปหาอ่านเอาก็รับกัน <c oughs> เอเล่าหน่อยก็ได้ <c oughs> คือมีพวกพระจากกระบิลพัฒนะ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าแถวกบิลพัฒน์ท้าเรียกชาติภูมิ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 เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมที่เด่นๆด่อมีองค์หนึ่งชื่อพระปุณณมันตานิบุตรปุณณมันตนิบุตรนี่เป็นคนที่สอนพระอานนท์ให้ได้พระโสดาบันนะ ไ, ไม่ใช่พระธรรมดาองค์นี้เก่งพุพุทธเจ้าได้ยินว่าพระปุณณมันตานิบุตรสอนเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารกความเพียรนะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตยานทศนะ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 พระนนะมีการพักกลางวันในป่าไม่ได้เป็นนอนนะเขาเรียกทีวารวิหารพักตอนกลางวันตอนบ่ายๆอนะไรย่างี้ท่านก็เดินถือเสือไปพระคุณณนาะมันตะมีอมุบุตรทรายริบุตรก็แบกเสือตามหลังไปนะต่างคนต่างตามไม่เข้าไปชิดด้วยมารยาทท่านดีท่านให้พักกันให้เต็มที่นะท่านต่างคนต่างก็นั่งสมาธิพอตกเย็นนะสายริบุตรก็เข้าไปหา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 ถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้วิสุทธิ์ที่อีกตัวหนึ่งชื่อมักขมคยานทัศนวิสุทธิ์มักขาคือมักขากับอามักมักกับอามักพามาส่นที่กันมารวมกันเลยเรียกมักขามคกายานทัศนวิสุทธิพวกเราตอนนี้มาถึงตัวนี้ก็เยอะแล้วนะมักขามคายานทัศนวิสุทธิ์พวกเราเริ่มเห็นไหมว่ามันมีสภาวะที่เกิดดับทั้งในทางกายทั้งในทางใจ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 รู้ไปสบายๆดูกายทางานดูใจทํางานดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง น, นี่ฝึกไปมันจะยาก อ, อะไรนะใช้เวลาไม่นานนะเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีถ้าสมัยพุทธกาลนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีนั่นหมายได้พระอราหันต์นะ <c oughs> หรืออย่างต่ําพระนาคาของเราเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีได้โสดาก็บุญแล้วล่ะะอย่าลบมากเลย <c oughs> นี่พวกเราอย่าไปท้าถอยนะถ้าจับหลักได้แล้วก็ไม่ช้า